ช่วงนี้เดินทางไปกรุงเทพนะคือกรุงเทพมาที่เนี้มันลําบากรถติดมอเตอร์เวย์แตหลวงพ่อเข้ากรุงเทพเ น, นี่ยในหลวงพ่อไม่ไปเอเข้ามอเตอร์เวย์ที่ชนบุรีนะหลวงพ่อย้อนไปทางมาบยางไปที่มาบยางนะแล้วก็ไปเข้ามอเตอร์เวย์แหลมฉบัง แต่วิธีที่จะไปเข้ามอเตอร์เวย์ที่แหลมฉบังเนี่ยอย่าไปวิ่งทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ไปนะวิ่งตัดไปทางหนองคอเนี่ยไปดู Google เนาะอ <c oughs> ย่างมากก็หลงครั้งแรกสองครั้งเท่านั้นแหละถ้าเร็วว่ากันเยอะพอเข้ามอเตอร์เวย์ที่แหลมฉบังได้เนะี่ยมันทําเวลาคืนได้ แต่เวลาคืนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องออกไปบ้านทางตรงนะแล้วไปวิ่งคู่ขนานไปเนี่ยเสียเวลานานา น, นี่หลวงพ่อไปกรุงเทพนะประหยัดเวลาไปเยอะๆ เ, เลยหลบหลีกเขารถมันติดตรงไหนเราก็ไม่ไปแล้วก็วิ่งมอตเวไปไปออกบางวัว เปต่อลอยฟ้าแล้วจะไปทิศทางไหนก็ไปเลี้ยวเข้าทางด่วนอันอื่นต่อไปแถวส่วนอภูมิรถจติดก็ต้องหลบหลีกเาแถวนี้อาจารย์อาร์เขาหลบหลีกเก่งรู้แต่พอเข้ากรุงเทพแล้วจนปัญญาเลยไม่รู้จะไปไหนเลยรถเต็มไปหมด วันนี้คนจีนก็จบคอร์สหลวงพ่อประเมินผลคุยกับอาจารย์คนจีนภาวนาเก่งขึ้นเยอะเลยเยอะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อรู้ตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วล่ะยังไม่ทันมองหน้านะธรรมะที่เทศออกมาเนะี่ยเป็นเรื่องอริยสัจธรรมะมันจะพอดีกับคุณภาพคุณฟัง อย่างถ้าใครมาถามหลวงพ่อเรื่องทำทานถือศีลเรื่องอะไรเนี่ยนะจุดนะเรื่องนั่งสมาธิยังจุดเลยนะมันต้องถึงขั้นเดินปัญญาต่อไปเราคงไม่ต้องมาพูดกันเรื่องเดินปัญญาเราจะพูดกันเรื่องมรรคผลนะ ไม่ใช่เรื่องยากใช่เรื่องยากอะไรตั้งอกตั้งใจภาวนาทุกวันทุกวันพยายามถือศีลห้าไว้ศีลห้าสำคัญนะสำคัญกว่าศีล8ปดศีลสิบอะไรนะันศีลสองยี่สบเจศีลห้ายอยู่ในองค์มครร ทุกวันก็แบ่งเวลาไว้ภาวนาถ้าไม่ทำในรูปแบบจิตไม่มีกำลังวิธีฝึกให้จิตมีกำลังก็คือให้จิตพักผ่อนอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตก็จะมีแรงจิตมีแรงพอสมควรแล้วก็ปล่อยให้จิตทำงานนะมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเด้ได้ แล้วพอออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะปฏิบัติได้จริงหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันนการที่จะฝึกมีสติในชีวิตประจำวันพูดง่ายทายาก เราะะเราพร้อมที่จะขาดสติในชีวิตประจําวันไม่ใช่มีสติหรอกเราต้องซ้อมในรูปแบบนะทำกรรมฐานนะจิตหนีไปแล้วรู้คอยรู้ทันจิตไว้เวลาเรามาอยู่ในชีวิตจริงนะปฏิบัติในชีวิตธรรมดาเนี้ยในชีวิตประจําวันเนี้ยเราจะคอยรู้ทันจิตตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันจะรวมลงที่จิต ปฏิกิริยาทั้งหลายมันมาเกิดที่จิตนะตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงหรือใจคิดจิตไหวเห็นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วมีสติรู้ทันก็ไปตรงจิตนี่แหละจิตเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งปวงจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมะทั้งหลายหลวงปู่มั่นบอกได้จิตก็ได้ธรรมเสียจิตไปก็เสียธรรมงั้นรู้เท่าทันจิตตัวเองไว อยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละเห็นสาวสวยเดินมาจิตมีราคะรู้ว่ามีราคานะเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงสวยเดินมาจิตมีโทสะมันสวยกว่าเรานะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสนะรู้อย่างนี้เข้าไปนะดูเข้าไปเรืเ่อยๆหูได้ยินเสียงเราขับรถ อ, อยู่เราเปิดเพลงฟังแมเพลินขาสติ ขาสติรู้ว่าขาสติจริงๆยากที่สุดเลยเพราะว่ามันไม่มีสติจะรู้ว่าขาสตินะขับร้ อ, อยู่คนมาปาดหน้ามโมโหเงี้ยรู้ว่ามโมโหรู้ทันความรู้สึกแม้เราใช้ชีวิตธรรมดานี่เองแต่คอยรู้ด้วความเปลี่ยนแปลงของจิตตัวเองไปเรื่อยๆแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไร ฝึกไปเรื่อยๆเ็ดวันเจ็เดือนเ็ดปีน่าจะได้อะไรดีๆบ้างไม่ควรจะว่าว่างเปล่าไม่ได้อะไรเลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราเป็นธรรมะที่พอดีพอดีอดที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนถึงจะทำได้คนธรรมดานี่แหละทำได้แต่ต้องเป็นคนธรรมดาที่มีความรักดีนะ คนธรรมดาชั่วๆไม่มีทางเข้าถึงธรรมะนั่นกลับบ้านไปไปเมืองจีนตามองเห็นรู้ทันจิตหูได้ยินเสียงรู้ทันจิตอย่าไปเฝ้าอยู่ที่จิตนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาฝึกทุกวันทุกวันดูไปเรื่อยๆต่อไปส่งกันบ้าน พวอยู่วัดใครจะส่งก็ส่งใครไม่ส่งก็ส่งใหม่ไปที่หนูเดินทำรูปแบบเดินจงกรมแล้วก็ใช้พุทโธเป็นวิหารธรธ ร, ธ ร, ธ ร, ร, ธรม<ำ>อะค่ะก็มีอไไปทำต่ อ, อ ม, ามาทิ้ก็ดีขึ้นอ้าวต่อไปกล่าวพิธีการหลบพอครับอยู่เส้นทางทำเดี๋ยวก่วอนแปบ๊บหนึ่ง ที่ส่งไมค์ไปนะไม่มีสติรู้สึกไหมเผลอถ้ารู้สึกนะให้มันรวมล้อมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆเราเลยนะอยู่เส้นทางทรมาประมาณหกปีครัปฏิบัติอยู่เรื่อยก็เหมือนอยู่กับที่ฮะสุดท้ายมาแนวของพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยขอการบ้านเพื่อความสงบความสว่าง ที่สอนมาเมื่อเชา้าจำได้ไหมไปทำม้นะองอ้าวต่อไปอา้าวคนจีนว่ามาเหลือยี่สิบคนทั้งก่อนท่านจะใช้ดูลมหายใจแต่เพ่งดูลมหายใจหลายพีแต่ตอนนี้ดูร่างกายหายใจครับ เห็นร่างกายหายใจดีกว่าเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแล้วก็รู้สึกไปร่างกายที่กำลังหายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นวัตถุเป็นธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตเราไปเห็นเข้ารู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกด้วยใจที่โปร่งๆสบายๆอย่าบังคับใจให้นิ่งนะยังติดการบังคับใจนิดหน่อยนะมีอยู่นิดหน่อย ทำใจให้สบายกว่านี้ใจเนี่ยใจใมันตึงๆแน่นๆอยู่นะปล่อยให้มันทํางานให้เป็นธรรมชาติคนต่อไปแต่ท่านขอถามอีกข้อคือเวลาเวลาดูลมหายใจอ่ะท่านจะเพ่งอัตโนมมัดท่านอยากจะถามว่าถ้านบอกกับดูลมหายใจไหมครับกรรมฐานอะไรนะถ้าจะเพ่งมันก็เพ่งทั้งนั้นแหละนะจุดสําคัญอยู่ที่ว่า จิตมันไปเพ่งรั่วไปเพ่งให้รู้ทันจิตไม่ใช่รู้ลมหายใจลมหายใจเป็นแค่แบกเก่าเพื่อจะรู้ทันจิตเท่านั้นเองแล้วใจที่มันไปเพ่งเนี่ยเพราะมันโลภถ้าใจโลภขึ้นมาอยากปฏิบัติให้ดีเงี้ยมันจะเพ่งเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทันใจที่โลภมันก็ไม่มีต้นเหตุของการเพ่งมันก็ไม่เกิดการเพ่ง รู้ทันใจที่อยากปฏิบัตินะแล้วมันจะเลิกเพ่งต่อไปท่านใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์มแต่ง่วงหนักมากอาการอาการง่วงเขาถ้าอยากจะรู้ว่าท่านหมอ ก, กับดูลมหายใจัหมครับหายใจได้นะ ถ้ามันง่วงก็ลุกขึ้นเคลื่อนไหวลุกขึ้นหา ง, งานทําขวาดัดวัดไปอะไไปทำงานไปเคลื่อนไหวเราก็ถึงเวลาก็าไปนั่งสมาธิต่อไปมันก็หายหัดใหม่ๆบางทีใจเราฟุ้งซ่านมานานพอไปนั่งกำหนดลมหายใจก็มันก็จะหลับาใจของเรารู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันได้ ใจไม่ฟุ้งซ่านเวลาไปนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยจะหลับถ้าเมื่อไหร่มันฟุ้งมากนะผ่านความฟุ้งซ่านมากๆมันจะหลับง่ายงั้นเรามีสติอยู่ในชีวิตประจำวันเรื่อยๆนะไม่เจตนาหลับไม่หลับเลยอะอย่างหลวงพ่อกลางคืนบางทีไม่ได้นั่งสมาธินะมันเมื่อยแล้วหลวงพ่อนอนนอนแล้วเราก็ หายใจไปอะไรไปอยู่นานแค่ไหนก็ไม่หลับนะเม้นแต่เราเจตนาหลับเราก็คลายจิตออกมันก็หลับงั้นเราพยายามฝึกให้สติของเราพัฒนาขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวไปอยู่ในชีวิตข้างนอกนี่ฝึกให้เยอะๆเราไปนั่งสมาธิมันจะไม่หลับคนต่อไปมาเข้าคอร์สขั้ที่สามแล้วสามารถเห็น จิตที่ไหลไปไปคิดแล้วออปงแต่งต่างๆสามารถเห็นได้อยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อครับเห็นจริงนะแต่พอเห็นเห็นไปแล้วก็ไปประคองจิตให้นิ่งอย่าไปควบคุมจิตไหมไหลเรารู้ไหลเรารู้นะตอนเนี้ขณะเนี้เป็น ป, ประคองจิตเอาไว้นิดหนึ่งจิตจะนิ่งๆไปนิดหนึ่งผิดธรรมชาติอยู่นิดหนึ่งอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละจิตฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านเก่งนะเป็นคนที่จิตฟุ้งซ่านเก่งจิตไหลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใครมีสติรู้ทันมันไปเรื่อยได้แต่อย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งเอาคนต่อไปคนจีนยุคนี้เก่งจริงฮะต่อไปคนไทยจำไว้นะถ้าศาสนาหายไปไปเรียนจากเมืองจีนนะขั้นแรกเขไปเรียนภาษาจีนก่อนแล้วจะรู้ว่าลําบากแค่ไหน เอาว่ามาเขาเ ร, เริ่มเรียนธรรมะแบบหลวงพ่อเริ่มปีนี้ครับเขาอยากจะรู้ว่าเขาควรระวังอะไรครับขอคําแนะนำจากหลวงพ่อครับระวังอย่าผิดศีลเท่านั้นแหละนะรักษาศีลไว้มีสติรักษาใจนะมีศีลรักษากายบาจาให้เรียบร้อย ก็มีสติรักษาใจของเราคอยรู้เท่าทันเวลาใจเราเกิดกิเลสอะไรก็รู้บางทีมันมีความสุขนะเพอมีความสุขเกิดขึ้นกิเลสทยทังแทรกมาเลยมันพอใจเพลิดเพลินในความสุขเนี้ยให้เรารู้ทันใจที่มันเพลิดเพลินนะมีความสุขมีความสุขก็ต้องรู้ทันนะรู้ไม่ทันก็กิเลสอีกแหละคนนี้ดูจิตได้นะ เห็นจิตเคลื่อนไหวทกุกยิกยุกอยู่ข้างในได้ก็ดูต่อไปเนี่ยเขาดูเป็นจิตเขาไหลไปคิดปุ๊บเขาก็เห็นแล้วถูกไปดูต่อไปคนต่อไปมาเคาเคอสครั้งแรกสามารถเห็นกายกับใจแยกกันเ อ, อดีตรงนี้สำคัญมากนะเราค่อยแยกต่อไปอีกนะ แยกต่อไปความรู้สึกกระใจก็คนละอ่านกันนะหัดแยกไปเรื่อยเรื่องแยกขันนะร่างกายมันก็ส่วนหนึง่งความสุขความทุกข์ก็ส่วนหนึง่งความโบลบโกรดหลงก็เป็นอีกส่วนหนึง่งจิตที่เป็นคนดูก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกออกไปแล้วก็สังเกตไปแต่ละส่วนนีนะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ละส่วนไม่คงที่บังคับไม่ได้โดนะยเฉพาะกระใจตัวจิตเนี่ยเราก็ไม่บังคับให้นิ่ง เราจะเห็นว่าจิตเนียวก็เป็นตัวรู้จิตเดียวก็เป็นตัวชิดสลับกันไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นดีไปทําต่อไปเรียนได้เร็วนะคนนี้คนต่อไปเขามาเ ค, าคอร์สครั้งแรกอยากจะรู้ว่าภาวนาถูกต้องหรือเปล่าครับเห็นกิเลสไหมถ้าเห็นกิเลสก็ถูกนะ ถ้าภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสมีแต่กูเก่งคนเดียวอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ถูกนะคอยรู้ทานกิเลสที่มันเกิดในใจเราสังเกตไปเรื่อยๆถ้าเราดูได้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติได้ละนะค่อยๆฝึกไปใช้ได้มาครั้งแรกเราฝึกได้ขนาด น, นี้อาจารย์เก่ง <laughs> คนนี้ยังมีลักษณะของการประคองจิตเอาไว้ เขากลัวจิตจะเคลื่อนไปเ้วก็เลยประคองไว้ดั น, น, นอย่าไปดันันปล่อยซะปล่อยอย่าไปรักษาจิตไว้งั้นคนต่อไปเขาอย่ารู้ว่า <c oughs> เขาเป็นวิปัสสนาญาณิกหรือว่าสมถาีายานิครับวิปัสสนาญาณิก ไปเข้าฌานเข้ายากใจคิดเก่งเพราะฉนั้นดูความรู้สึกของตัวเองเกิดดับไปเลยส่วนการทำสมาธิก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันสวดมนต์แล้วก็คิดถึงพระไปก็ได้สมาธิแต่จิตยังไม่เข้าฌานหรอกไม่ต้องไม่ต้องกังวล ม, มันเดินได้ทุกเส้นทางทางใครทางมัน ไม่ต้องไปบังคับจิตให้นิ่งๆเนาะที่จริงคนนี้จะฝึกสมาธิจริงๆก็ฝึกได้นะแต่การฝึกสมาธิเนี่ยมันจะต้องอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์รโอกาสพลาดมันสูงมันไม่เหมือนกันจเจริญปัญญาถึงพลาดก็ไม่เป็นอะไรมากอย่างมากก็ฟุง้งซ่านสมาธิถ้าพลาดเราเพีย้ยนะงั้นอยู่ห่างครูบาอาจารย์เงี้ยพยายามฝึกสติให้เยอะเยอะ มีสติเยอะๆ้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกมันปลอดภัยกว่าคนนี้จะทำสมาธิจริงๆก็ทำได้นะควรจะอยู่กับครูบาอาจารย์อวคนต่อไปเขารู้สึกว่าเวลาทำรูปแบบก็จะเพ่งครับคือหน้า อ, อกก็จะแน่นครับจะง่วงฟ้งครับ จะมีพานังที่ไม่ดีจะกวนเขาครับเขาไม่รู้ว่าทำยังไงครับหายใจสบายๆไปนะอย่าคิดเรื่องจิตสงบหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแค่นี้พอลนะเพราะความรู้สึกตัวที่แท้จริงเกิดนะสติสมาธิอะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้หายใจแล้วรู้สึกตัวไปสบายๆ อย่าไปคิดแต่ว่าจิตจะต้องสงบให้คิดจะติดสงบนะต้องการสงบน้ํำจะเพ่งงานจะอึดอัดแน่นหน้า อ, อกหายใจเล่นๆไปหาใจแล้วรู้สึกตัวเล่นๆไปนะทําบ่อยๆใจมันจะคลายออกมีความสุขแล้วเป็วลาใจมันเกิดความกระตือรือรน้นะมันแอคทีฟกระตือรือร้นมากนะรู้ทันมันนะอย่างเวลาเราฟังหลวงพ่อพูดเนะี่ยใจมัน อย่างนี้อยงรู้ทันนะใจมันตื่นเต้นรู้ทันมันคอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะและชีวิตจะมีความสุขเอาคนต่อไปบมื่วานเขาสมกรรบ้า น, นสอนเขาให้จงกรมเยอะๆอแต่เขาเขาอย่ารู้ว่าก่อนก่อนนอน เขาสามารถดูลมหายใจที่เก่าเขาใช้ได้ไหมครับก็เวลาเราจะนอนเราจะไปเดินจงกรมมันก็ไม่ได้สินอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวหกลม้มงั้นปฏิบัติแคาเดินจงกรมไปเรื่อยๆถึงเวลาจะนอนก็ไปนอนเห็นร่างกายมันนอนเห็นร่างกายมันนอนหายใจไปนะอยู่กทังหลับไปเวลาจะนอนอ่ะอย่าไปเดินนะนะ เวลานอนก็ลงไปนอนแล้วก็นอนเห็นร่างกายมันหายใจใจเราสบายเป็นคนดูไปเพลินๆถ้าต้องการปฏิบัติในวิยาบทนอนก็รักษาสติไว้ไม่ให้ขาดสติหายใจไ ป, จไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปอย่างเงี้ยอยู่ได้ถึงสว่างไม่นอนถ้าอยากจะนอนก็คลายสติออกทำใจผ่อนคลายแป๊บเดียวก็หลับ อา่าต่อไปเขาอยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูกรรมพวนละของเขาตอนนี้ควรปรับอะไรบ้างครับใจมันยังฟุ้งเก่งนะเพราะน้นเราต้องมีเครื่องอยู่ของจิตเช่นเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันจิตเวลามันลืมพุโทโธ ใจยังนีคิดเก่งไหลวับแวบวับแวบเพะงั้นถ้าเราพุโทโธพุโทโธก็ไม่ใช่เพื่อไม่ให้ใจไหลถ้าเราพุโทโธพุโทโธเล่นๆไปพอใจมันหนีไปจากพุโทโธเราก็จะรู้สึกตัวได้เร็วไม่หลงยาวคนนี้นช่างคิดจิตมันกระโดดไปอยู่ในโลกของความคิดเก่งเพราะงั้นบริกรรมไว้เพราะจิตมันหลงไปคิดคิดเรื่องอื่น ไม่ได้คิดพูดโธแล้วไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราก็จะรู้ตัวได้เร็วที่หัดพุดโธก็เพื่อจะรู้ตัวได้เร็วนะั่นแหละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นหรอกไปทําเมาหน้าใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่คนต่อไปก่อนหน้านี้เขาดูเรียนธรรมะดูวิดีโอกับฟันซีดีเรียนมาสิบสี่ปีแล้วครับอย่ากจะรู้ว่าเขา ภาวนาถูกต้องหรือเปล่าเขาควรมีอะไรปรับปรงุงเขาก็ถูกมากขึ้น น, น่ะนะหลวงพ่อสังเกตภาพรวมเลยนะคนจีนกับคนไทยไม่เหมือนกันคนจีนเนี่ยไม่ชอบไม่ไม่ค่อยเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่กลางหน้าอกคนไทยชอบเพ่งจิตให้นิ่งๆนะให้เครียดเครียดดูเท่ดีมั้งนะคนจีนใจเขาจะปล่อยเขาจะไม่ควบคุมมัน เราแค่มีสติรู้ไปใจเราวิ่งไปคิดก็รู้ใจไปจ้องอะไรไว้ก็รู้ใจวิ่งไปดูก็รู้นะหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆหัดดูบ่อยๆนะดีกว่าไปนั่งรักษาจิตให้นิ่งๆแข็งๆอยูนะ่อย่าไปรักษาจิตอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดวูบหนึ่งดูออกไหมเนะนี่ยมันหนีรู้หนีเรารู้หนีเรารู้ไปนะถึงวันหนึ่งเราห้เห็นจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรา จิตมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันก็ทำหน้าที่รู้ของมันเองวิ่งไปวิ่งมายันตอนนี้มันหนีไปคิดอีกแล้วรู้ทันเวลามันหนีไปคิดฝึกบ่อยๆแล้วนะจะได้ก้าวน้าทุกวันไว้พระสวดมนไว้คนต่อไปขั้นที่แล้วหลวงพ่อสอนว่าให้เขาฝึกเมตตาเวลาจงกรมเขาก็ เลือกว่าขอให้สาสนาไหนมีความสุขความสุขดีจิตเขาดีขึ้นนะสมาธิเขาดีขึ้นการที่เราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆจเจริญเมตตาเรื่อยเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือสมาธิแล้วถัดจากนั้นเราจะเริ่มเดินปัญญาละต่อไปนี้เพิ่มการเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาก็คือไปแผ่เมตตาต่อแล้วจิตใจเราสงบรู้ทัน จิตใจเราฟุ้งซ่านรู้ทันจิตใจเราร่มเย็นรู้ทันจิตใจเราเร่าร้อนรู้ทันการที่เราแผ่เมตตาเหมือนกันทั้งวันเหมือนกันทุกวันเนี่ยแต่จิตเรายังไม่เหมือนกันทีเดียวจิตยังมีความเปลี่ยนแปลงให้เราดูอย่างทีแรกเราแผ่เมตตาไปนะใจหงุดหงิดใจโมโหอะไรเงี้ยเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆใจเปลี่ยนจากใจโมโหมาเป็นใจเย็นๆใจมีความสุขเนี่ยอนี้เราก็เห็นใจมันเปลี่ยน แผ่เมตตาแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆนะแค่นั้นมันก็เริ่มเข้าสู่การเจริญปัญญาแล้วแต่เดิมเป็นคนขี้โมโ ห, โหนะแล้วก็แผ่เมตตาไปใจเราก็ร่มเย็นมีสมาธิขึ้นม า, าใจมีสมาธิต่อไปนี้เราจะเดินปัญญาเราจะดูความเปลี่ยนแปลงของใจเราก็แผ่เมตตาเหมือนเดิมแหละ แต่เราก็เห็นว่าใจเราต่างหากที่ไม่เหมือนเดิมบางวันมีความสุขบางวันไม่ค่อยมีความสุขอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยแต่และเวลาแต่และลขณะจิตใจไม่เหมือนกันนะแต่แผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะเป็นกรรมฐานคนต่อไปสมาธิเขาก็ดีขึ้นละละนะแต่เดิมโทสะแดงคนต่อไปอยู่ที่ไหน ก็ เ, เพราะเมืองที่เขาอยู่ไม่ค่อยสงบเขาอยากจะรู้ว่าเขาควร อ, อ, อยู่ที่นู้นภาวนาหรือว่าต้องไปที่อื่นครับไปภาวนาครับอยู่ที่น้นแหละนะมันไม่สงบมันก็เรื่องของเมืองใจเรารู้ทันใจของเราไว้ถ้าเราคิดว่าการภาวนานะต้องหนีไปอยู่ในถ้ำคนเดียวอะไรเงี้ เรภาวนาไม่เก่งหรอกอยู่ตรงไหนก็ต้องภาวนาให้ได้ถึงจะเก่งหลวงพ่อเองมีประสบการณ์หลวงพ่อภาวนาตอนเป็นคารวะอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยวุ่นวายมากเลยนะรถกะติดอะไรตอนอไรผู้คนเยอะแยะแย่งชิงอะไรกันวันๆเนี่ยวุ่นวายในความวุ่นวายนั้นหลวงพ่อภาวนาได้ได้อย่างดีเลย เพราะว่าใจเราเนี่ยถูกกระทบกระเทือนตลอดเวลานะมันอยู่ในที่ที่วุ่นวายใจมันสะเทือนเห็นมานะเดี๋ยวก็ลาคาญเดี๋ยวก็งูหงิดอะไรเงี้ยเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของเราไปได้ทั้งวันนะต่อมาย้ายไปอยู่ชานฌานเมืองนะไปทํางานเปลี่ยนงานใหม่งานที่สบายอยู่เงียบเงียบสบายภนะาวนาไม่ดีภนะาวนาสู้ตอนอยู่ในเมืองวุ่นวายไม่ได้ แต่เนี้ยหลวงพ่อสังเกตเห็นตั้งแต่เป็นฆราวาสตอนเป็นฆราวาสนั้นเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราขยันภาวนาพอไม่ภาวนาแล้วมันรุ่มใจทุกอย่างมีแต่เรื่องไม่ดีทางนั้นเลยวุ่นวายก็รอเวลานะว่าถึงวันหยุดยาวๆเราจะไปภาวนาตามวัดป่าพอถึงวันหยุดยาวก็ออกไปอยู่ในป่าพออยู่ในป่าเ น, นี่ยปรากฏว่าจิตวุ่นวายยิ่งไปอยู่ในเมืองอีกมันเงียบเกินไปเราไม่ชินนะ เราไม่ชินกับความสงบจิตยิ่งวุ่นวายดูไม่รู้เรื่องเลยต้องใช้เวลาสองสามวันกว่าจิตจะเข้าที่ดูรู้เรื่องเพราะฉะนั้นในสภาวะที่วุ่นวายเนี่ยเรียนรู้จิตตัวเองได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่สงบเงียบๆหรอกแต่ถ้าจะทําฌานนะถึงจะต้องหนีไปหาที่สงบถ้าจะทํำมิปัสนาอยู่ตรงไหนก็ทําได้นะเอคนต่อไปไม่ต้องหนีนะไม่ต้องย้ายบ้านหรอก เขาสามารถเห็นใจรักของร่างกายกับจิตใจจริงเห็นไปเรื่อยนะแล้วจิตใจเราสลดสังเวชขึ้นมาก็รู้ทันมันมันเห็นแล้วมันน่าสลดใจนะร่างกายจิตใจนี่ก็รู้ทันความสลดใจไปอีกในที่สุดใจก็เป็นกลางไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางเราจะฝึกจนใจเข้าสู่ความเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วใจนี้เข้าสู่ความเป็นกลางอย่างเดียวเลยนะไปฝึกต่อไปคนนี้ภาวนาใช้ได้คนต่อไปหมดแล้วยังอีกหกคนครับ <c oughs> เขาอยารู้ว่ากรมมถังอะไรหมาะกับเขาครับ เขาอยากจะรู้ว่าเขาควรการภาวนาเขาควรระวังอะไรครับหายใจเข้าพูทธหายใจออกโทไปเรื่อยๆนะอย่าบังคับจิตให้สงบหายใจเข้าพูทธหายใจออกโทนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจไปจิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้จิตต้องมีเครื่องอยู่เพราะคนนี้จิตหนีไปคิดเร็วนะจิตฟุ้งเก่งงั้นมีเครื่องอยู่ไว้ อยกลมหายใจอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆระวังเรื่องฟองุ้งซ่านอย่าไปคิดเยอะนะดูความรู้สึกของเราไปให้เยอะๆไม่ต้องไปคิดเยอะต่อไปเขาเรียนธรรมะประมาณหนึ่งปีแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังรู้ส รู้สตัวไม่เป็นครับคนเนี้เหรอคนนี้ตั้งใจแรงไปผู้หญิงคนนี้เปล่าใช่ครับเราตั้งใจแรงไปนะแล้วใจก็ฟุ้งเก่งนะงั้นหางานทําเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆเลยใช้งานร่างกายเนี้ยเช่นกวาดบ้านเดินเช็ดบ้า น, น, านถูบ้านอะไรเงี้ยทางานไปเรื่อยๆเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวทํางานไปเรื่อยๆ จะสบายกว่าไปทําในรูปแบบแบบอืนทําอย่างอื่นทํายากเพราะฉนันเคลื่อนไหวร่างกายไปทํางานไปแล้วเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายทํางานไปนะแล้วจะถึงจะดีขึ้นคนต่อไปขั้นที่แล้วหลวงพ่อให้เขาดูโทระตอนนี้เขาเห็นมีสภาวะสงสภาวะเกิดบ่อยอันแรกคือใจจะ มีปฏิฆะมีปฏิเสธใจจะมีมีมีสิ่งที่แข็งแข็งครับมีจุดแข็งแข็งมีคือรู้สึว่ใจเยือกถือตลอดครับออใจมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เห็นถูกละส่วนที่เป็นจุดแข็งแขงอ่ะเพราะเราจงใจไปดูมันถ้าเราจงใจไปดูมันมันจะเป็นแข็งแข็งขึ้นมาถ้าเราให้ความรู้สึกเกิดเราค่อยรู้ มันจะไม่แข็งนะแล้วใจมันไปนฟุ้งซ่านใจสงบแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆล้ไงอีกคือเขาเมื่อกี้บอกว่าเขาเห็นใจยึดบ่อยครับเห็นบ่อยก็ดีสิไม่ต้องห้ามนะใจมันไปยึดก็รู้ว่าใจมันไปยึดนะใจมันปล่อยก็รู้ว่าใจมันปล่อยใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น อย่าไปพยายามว่าใจจะต้องเป็นอย่างนี้ใจจะต้องไม่เป็นอย่างนี้เอาที่ว่าจริงๆมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูบ่อยๆเห็นใจไปยึดก็เก่งแล้วละใจมันยึดน้นยืดนี่ทั้งวันอยู่แล้วเอาคนต่อไปเขามาคราวคอร์สครั้งแรกเขาใช้ดูร่างกายหายใจแต่ คือแต่จะแพงครับเขาอยากจะรู้ว่าเขาควรเปลี่ยนอารมณ์อย่างอื่นไหมครับคือจริงๆเราไม่ได้จำกัดอารมณ์นะเราแค่เห็นร่างกายหายใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเท่านั้นเองส่วนจิตใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อิสระไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับร่างกายที่หายใจตลอดเวลามีร่างกายที่หายใจเป็นแค่ที่ระลึกเท่านั้นเอง ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจเราทำงานปกติพอทำงานไปแล้วมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้เอาแต่การที่เรารู้ร่างกายหายใจเพื่อไม่ให้เราหลงยาวเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเลยเวลาตามองเห็นไม่ไปเห็นสาวสวยเา ใ, ใจมันชอบอะไรนี้มันหลงชอบไปเป็นวันวันมันชา้าเพราะฉะนั้นที่เราพยายามหายใจแล้วรู้สึกร่างกายหายใจเพื่อเตือนตัวเองไม่ให้หลงยาวเท่านั้นแหละ ส่วนในชีวิตจริงๆเนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับใจมีสติค่อยรู้ไปอย่าไปบังคับใจให้นิ่งๆนะปล่อยให้ใจทำงานอย่าบังคับใจแล้วก็อย่าไปรอดูว่าตอนนี้ใจเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องไปรอดูความรู้สึกนะให้ความรู้สึกมันเกิดแล้วค่อยรู้เอาโกรธแล้วค่อยรู้ว่าโกรธรลแล้วค่อยรู้ว่าโลบอย่าไปเฝ้า ถ้าเฝ้าจ้องอยู่ที่จิตเนี่ยจะเพ่งแล้วก็จิตจะแน่นๆน่นรู้ให้สบายสบายไปอ่ะต่อไปเขาอยากจะให้หลวงพ่อช่วยออขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าตอนนี้เขากําพวนาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพ่งอยู่พอตื่นเต้นจะคุยกับหลวงพ่อใจมันก็เลยแน่นขึ้นมา อย่าไปบังคับใจใชจจะตื่นเต้นก็แค่รู้ว่าตื่นเต้นไม่ต้องไปห้ามมันมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นในตอนนี้ใจไหลไปคิดก็รู้ว่าใจหนีไปคิดค่อยรู้ทันความรู้สึกรู้ทันจิตใจของตนเองไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ดีขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเรารู้ตัวได้สบายๆตัวนั้นนะสมาธิเราดีนะ นี่ต่อไปนี้เราก็เดินปัญญาเราไม่รักษาจิตให้นิ่งนะอย่างตอนนี้ยความสงสัยเกิดขึ้นวูบหนึ่งก็รู้ว่าสงสัยเนี้ยอย่างนี้เรื่องของเราเดินปัญญาแล้วความสงสัยพุดขึ้นมาเราเห็นว่ามันสงสัยนะสังเกตไหมพอเรารู้ทันว่าจิตมันสงสัยท่านจิตเราสว่างสบายโล่งโปร่งเบาขึ้นมาเลยนะจิตมันถูกต้องมันเป็นผู้รู้ที่ดีขึ้นมาเองเมื่อเรารู้สภาวะถูกต้องนะ เพราะ้นตรงนี้ไม่ดีอีกแล้วตรงนี้เริ่มบังคับอีกแล้วอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทำงานไปตอนนี้กลับมาบังคับหนักกว่าเก่าอีก น, นะปล่อยให้มันทำงานใช้ได้แล้วล่ะไปทำเอาถ้ายังประเชิญหน้าอยู่กับหลวงพ่อก็จะเกรงไปเรื่อยๆนั่งลงได้แล้วรอบคนต่อไป คนสุดท้ายเขามาเขาคอร์สครั้งแรกรเขาอยากจะรู้ว่าวิธีการที่เขาทำอยู่ถูกต้องหรือเปล่าครับสังเกตไหมใจหนีไปคิดเประยะระย ะ, นะเนี่ยตรงนี้หนีไปแล้วเขาก็ปฏิบัติได้อยู่นะแล้วค่อยรู้ทันเวลาใจมันฟุ้งซ่านมันหนีเท่านะั้น พอจะดูออกแล้วละสมาธิก็มีใจนะก็ตื่นขึ้นมาคนจีนครรุ่นนี้นะเรื่องจิตตื่นในเรื่องเบสิกมากเลยส่วนมากขันแยกหมดแล้วในะช้ได้เชีวยลวละขันมันแยกเป็นแล้วลวนะแล้วก็ใจมันก็เป็นคนรู้ได้จำนวนมากหลายคนเยอะเมื่อ ใจเป็นผู้รู้ขึ้นมาเห็นร่างกายจิตใจมันแยกส่วนกันเห็นความรู้สึกมันก็แยกออกไปเราก็สามารถเจริญปัญญาได้แล้วเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราโรลภกรธหลงไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดมีแต่ของไม่เที่ยงนะเนี่ยเฝ้าเรียนรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญาที่แท้จริงในอริยมครคก็จะเกิดขึ้น เราก็จะล้างกิเลสได้เด็ดขาดศา ส, สนาพุทธเนี่ยไม่ใช่แค่ตื้นต้ น, นะไม่ใช่ตื้นต้นแค่ว่ามีกิเลสแล้วมีสติรู้ทันแล้วกิเลสดับไอแบบนั้นเดี๋ยวกิเลสก็เกิดอีกนะั่นสติอย่างเดียวเนี่ยยังสู้กิเลสไม่ได้จริงพอกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสก็ดับเดี๋ยวก็เกิดอีกนะ สมาธิก็เอาไปสู้กิเลสได้ไม่จริงตอนที่นั่งสมาธิอยู่จิตใจก็สบายไม่มีกิเลสหยาบหยาบแต่พอออกจากสมาธิกิเลสก็มาอีกนะหรือการเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาเราเห็นได้ว่าเกิดอันนี้ดับอะไรเงีนะ้ยบางทีก็สู้กิเลสได้บางทีก็สู้ไม่ได้มันจะไปชนะกิเลสเด็ดขาดตอนที่เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมานะตอนที่อริยมรรคเกิด กิเลสตัวไหนที่ถูกอริยมรรคทำลายไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเราจะไม่ต้องระวังรักษาอีกเลยจะไม่เหมือนกิเลส ท, ที่ล้างด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาถ้ากิเลส ท, ที่ใช้สติสมาธิปัญญาล้างเนี่ยประเดี๋ยวก็มันกกลับมาได้อีกมันยังเป็นโลกียะยังกลับกรอกอยู่ปัญญาเชนิดนี้เมื่อเราพยายามฝึกสะสมความรู้ตัวนะจนกระทั่งเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าตัวเราไม่มีแล้วมันจะไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์จะอยู่ไม่ได้ใจก็จะพ้นออกไปจากความทุกข์เรื่อยๆค่อยๆฝึกไปถึงจุดหนึ่งเราจะพบความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่มหาศาลจริงๆความสุขที่เราเป็นอิสระทุกวันนี้จิตใจเรายังไม่มีอิสระภาพ ใจิตใจเราถูกกิเลสครอบงำเอาไว้ถูกตัณหาความอยากสั่งให้ทํานวนทำนี้ทั้งวันถ้าวันใดที่เราชนะกิเลสแล้วเราเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองคนที่เป็นอิสระนะั้นมันมีความสุขนะคนที่เป็นทาตุอยู่ไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้มาจากการปฏิบัติคืออิสระภาพที่แท้จริงนะแล้วเราก็จะมีความสุขค่อยๆฝึกไปนะคนจีนทั้งหลายไปฝึกเข้า หลวงพ่อบวังว่าวันหนึ่งจะมีคนได้ธรรมะแล้วก็จะได้ไปเผยแพร่ของเราในเมืองจีนต่อไปนะคนจีนต้องไปสอนคนจีนเลยเอาคนไทยไปสอนให้ได้ชค่วคราวในะชั่วคราวคนจีนต้องช่วยตัวเองช่วยกันเองนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะสำหรับคนจีนต่อไปคนไทย <c oughs> มีไหม ว่ามากราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเอหนูปฏิบัติถือท่างว่าเจ้าค่ะทุกนะปฏิบัติเองหนะ้าเรียนรู้ใจของเราเองไปใจของเราแต่ละคนนะมันจะซ่อนกิเลสเอาไว้เยอะแยะเลยเราค่อยๆดูค่อยๆรู้ไป นะกิเลสตัวไหนที่เรารู้ทันแล้วมันก็ครอบนาใจเราไม่ได้ใจเราก็ค่อยสบายขึ้นโปร่งขึ้นโปร่งขึ้นสะอาดขึ้นไปเรื่อยๆนะสังเกตใจของเราไปกิเลสอะไรซ่อนอยู่ก็รู้เอานะหลวงพ่อคะพอดีฮะ <c oughs> เดี๋ยวจำไน้ไหมคะการข่าหลวงพ่อฟ้าฟังไม่ออกอ่ะค่ะพอดีหนูไม่ค่อยสบายหนูเลยอยากทราบว่าแบบช่วงนี้ดูไม่ได้ค่ะ ไม่สบายไม่สบายมันร่างกายไม่สบายนะจิตมันไม่เคยป่วยหรอกจิตกับกายมันคนล้านกันแต่พอร่างกายป่วยแล้วจิตเรากระสับกระส่ายไปด้วยเพราะว่าจิตเนี้ยมันไปรักร่างกายสังเกตไหมจิตมันรักร่างกายเนียรู้ทันเลยจิตมันรักกายก็รู้ว่ามันรักดูมันเข้าไปอย่างเนี้ยต่อไปมันจะคลายความรักกายออก นะมันยังมีความสงบสันติร่างกายจะเป็นยังไงจิตไม่เดือดร้อนนี่ที่จิตเดือดร้อนเพราะมันไปยึดถือกายเพราะฉะนั้นเวลาจิตมันเข้าไปรักร่างกายไปห่วงร่างกายนะรู้ทันว่ามันห่วงเลยนะดูเข้าไปพอใจมันหมดห่วงแนละ้วใจมันเป็นกลางขึ้นมาร่างกายป่วยใจไม่ป่วยแล้วนะไปฝึกเอาของอย่างนี้ต้องฝึกก็คือร ะ, ระหว่างที่ดูรักษาตัวเองก็คือต้องดูกายเป็นหลัก ร, ร่างกายเนี่ยให้หมอรักษาไปเรารักษาใจของเราเองเพราะหมอมารักษาใจให้เราไม่ได้ส่วนจะรักษาแล้วจะได้ผลแค่ไหนเรื่องของกรรมตัดใจให้เด็ดขาดเป็นเรื่องของกรรมรักษาไปมีวิบาบตัดร้อนรักษาไม่ได้ไม่มีวิบาบตัดร้อนก็รรักษาได้แต่จุดสำคัญคือรักษาใจของเราไว้ให้ดี ตัวนี้ต่งหากเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราร่างกายเป็นของอาศัยชั่วคราวไม่ใช่ของเราที่แท้จริงหรอกนะคุณงามความดีนั่นแหละเป็นสมบัติของเราเพราะงั้นพยายามแยกกายกับใจนะเป็นคนละส่วนเห็นร่างกายมันป่วยเห็นใจมันกังวลพอเห็นใจมันกังวลแล้วดูไปเรื่อยเรื่เราก็จะเห็นว่าความกังวลไม่ใช่ใจความกังวลเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นความรู้สึกที่แทรกเข้ามาในใจ วความกังวลกระเด็นออกไปจากใจใจไม่มีความกังวล น, นะใจก็เบิกบานแจ่มใสเบางทีหายป่วยเลยนะจิตมีปีติขึ้นมาหายป่วยได้นะค่ะ แ, แต่ตอนนี้หนูกําลังสับสนระหว่างแผนปัจจุบันกับแผนทางเลือกหนูเลยแผนทางเลือกเนี่ยมันคือแผนเมื่อไม่มีทางเลือกนะไปรักษาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก่อนมีญาติอาจารย์นี่แหละ เป็นแม่ชีไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งก็ใช้ทางเลือกเลยกินอาหารชีวจิตอะไรเงี้ยมันก็พัฒนาเป็นขั้นสองสามสี่ตายไปเลยนะรักษาธรรมดารักษาให้มันถูกเรื่องสกอรนะรักษาไม่ไห ว, วเราก็ไปเลือกเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะหลวงพ่ออย่า ก, กลัวนะไม่ต้องกลัวหรอกรักษาใจไว้และใจดีๆเบิกบานมีปีตินะ ที่อยู่นานในพลังของสมาธิของปิตินะมันฟอกร่างกายได้นะถ้ากลับไม่ตัดรอนจริงๆที่หายนะ ข, ขอบคุณค่ะหลวงพ่อน้่นอยู่ท้ายห้องเลยการรักาการหลวงพ่ อ, อ ค, ครับไม่ทราบว่าที่ผมปฏิบัติอยู่ตูกตามหรือเปล่าดูไปเรื่อยๆนะ ร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ตัวเรานะดูไปเรื่อยๆทุกอย่างไม่มีตัวเราตัวจิตที่เป็นคนไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งมันก็คิดนึกปรุงแต่งได้เองไม่ใช่ตัวเรามีแต่ของไม่เที่ยงสังเกตไหมจิตใจก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิว่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ <Under. S 2> ว่งไปคิดนะเนี่ยเรียนรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปนะเราจะพัฒนาฝึกมาได้ดีเชียละ ไปทำต่อขอบคุณมากครับหลวงพ่อครับ อ, อยากให้เมตตาผมชวนรุ่นน้องมาเขา ม, มีการยกไปแล้วงงงไงอ่ะเจะให้เมตตายังไ ง, ง, งช่วยชี้แนะเครับจิตตื่นเต้นนะรู้ว่าตื่นเต้นนะจิตของหนูมันยังอยู่ข้างนอกนะรู้สึกไหมจิเป็นข้างนอกหายใจด้วยความรู้สึกตัวแล้วไม่ดึงจิตคืนนะ หายใจอย่างสบายๆรู้สึกตัวไปสบายๆแล้จิตมันจะกลับเข้าบ้านเองอย่าไปดึงนะถ้าดึงแล้วจิตจะแน่นๆถ้าแน่นเมื่อไหร่ผิดทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นจิตใจอยู่เข้าก็มาอยู่ในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ทำงานได้เองไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดนะเดี๋ยวก็อย่างน้อนอย่างนี้เดินไปเรื่อย กองหนูสมาธิยังไม่พอนะสมาธิอ่อนกว่าไอ ห, ห, หนุม่มตะกี้นี้นะงินแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันนะพุโทโถพุโทโถไปก็ได้หายใจไปหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถอะไรเนะี่ยทำทุกวันทุกวันนะทั้งสองคนแหละทำไว้อดีนะไม่ทำสมธาเลยนะกำลังไม่พอ หลวงพ่อทำสมาธิตั้งยี่สิบสองปีนะแล้วมาเดินปัญญาเนี่ยไปได้สองปีงนะีกำลังสมาธิก็หมดแล้วไม่พอเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอให้แบตหมดนะเพราะแบตของเราเป็นแบตคุณภาพไม่ดีนะชาร์จมันทุกวันและกราบน้ำสกาจ้าคะหลวงพ่ อ, อขณะนี้หนูดูจิตถูกหรือ ย, ยังเจ้าคะอะไรนะขณะนี้ดูดูจิตถูกหรือ ย, ยังเจ้าคะขณะนี้นูลงคิด ถามขนานี้ใช่ไ้ม <c oughs> เห็นไหมใจมันไหลไปคิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊ดบดูออกเปล่านะถ้าถามว่าช่วงนี้ปฏิบัติเป็นยังไงช่วงนี้ปฏิบัติดีขึ้นนะแต่ตอนนี้เพ่งจิตอยู่อย่าไปเพ่งมันเพ่งแล้วมันอึดอัดนะปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างตอนนี้จิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดไม่ห้ามนะ ไม่ใช่ว่าจิตต้องไม่คิดนะจิตมีหน้าที่คิดก็ต้องคิดเนี่ยจิตหลงไปอีกแล้วรู้ว่าจิตหลงไปนะจิตมันเคลื่อนไปให้เรารู้ทันไม่ห้ามเคลื่อนได้เคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปเรื่อยๆของหนูควรจะดูกายด้วยนะเอากายมาช่วยไหนดูจิตอย่างเดียวไม่ค่อยมีแรง ดูกายไว้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกไปเรื่อยๆกําลังมันจะได้เพิ่มขึ้นดูจิตนทีเดียวตรงๆมางทีสู้ไม่ไหวอ่ะหมดแล้วเชิญกลับบ้าน